ดูควบวังดีเนี่ยมีอยู่ที่ไหนขาดูควบวังดีเนี่ยนั่นแหละห้องยาขาพอขายเมียดูควบวังดีปฏิบัติธรรมกับยาหายมีควบวังดีไอเป็นผู้ยุคกลางๆซื้อนี่ปฏิบัติธรรมเขื่อขึ้พอขึ้นเมีเขาเลี้ยงลูกหนะ้าผู้สิบเบิ้ลอารมณ์เป็นการตัวอารมณ์อารมณ์ ม, มันมีสองอิทารลมกับอนิทารลมอิทารลมชื่ออารมณ์ชีพ ปาถนาหรือไฟฝันอยากประสบพบพ่ออิทารลมอารมณ์อิทารลม อ, อารมณ์ที่น่าชอบใจหรือเปล่าตอันนี้ทารลมอารมณ์ที่พเขาบ่นหนาชอบใจปิดแต่ซั่งนั่นสิแต่ที่จริงเขาบอเหตุให้ผู้ใดย่องย่อเสลิเสหนอปฏิบัติธรรมขันทันมันสิเป็นผู้ ป, ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังดีให้โลกเขาย่องแค่จริงเข้าสีเบิงเข้าตาหาดิ มัตสิ่องสิค่ายอยู่อย่างไรให้ได้โปรตเปื่อนไงว่าไอ้มัตสิเห็นจิต ว, ว่างขันหัวป่าถนาเวีนจิตวุ่นะวุ่นกับวุ่นมาเถอะสอนินี้ผู้ใดมาขวนก็ใช้คำพูดมาหยวกย้วนมาแย่ยอกอะมาหยวกมาเหย่ า, ยาเดี๋ยวว่าเขาสิมาใช้คำพูด อ, อประชดประชั่นเนี้ยๆแจมประชดหรือ ได้จะได้กระซังให้มันเกิดควบบุญแหละย่าปัถานาเวนเวนคำพูดที่บ๊บให้เลาะสนะหัก็ยะปัถานาเวรเอาแต่มันสิได้ยินได้ฟั่งมาเห ม, มือนในกร้างมันอันนี้ปัถนามันกอก็บบบพ้นหอกเพราะว่าจริงเราหนี้มันไปหลกกระทั่งมีแล้วมันมีอยู่กับโลกบมื่อไหร่ยินหมื่นหนึ่งก็ได้ยินหมืนหน่นนึงแน่นอนแคงนี้ถ่า ม, มาแล้วห้าสิได้เบิ้งห้าซื้อนี่โอ้ผู้อยากท่านคิดว่างหรือ จิตสะอาดสว่างสงบว่าจะสงบได้ว่าบ่เฉพาะจิตวุ่นนั่นแหละก็คือพ่อคือแม่ไปหาป่ากไงว่าไปหาป่าพวกนักจับป่าท่านหลายก็ดสร้างอยู่สร้างนามเม่นแท่นน้ําไผ่ปักในน้ำแห้งเจ็บหลายบ่จะให้น้ํามากกาะเนื้อเกว่ากายละแต่เบิ่งนี่ละ่ะบรรามไล่ป่าเป็นยังยังไรมันแต่เขาเหือไล่ไปเขาเหาะเขากํามไล่มันไปเขาเหี้ยงในเหือในเหาะในกรรมอ่ะไล่มันออกนอกๆไปเปลี่ยนผู้เปียน ไล่ปลาเนี fail, ่ไหนไล่ไปเขาเหอะเขาเฟอยมันกจะเจ็บตัวตัวเข้ากับแมนอิลิปลาเจ้าเนื้อกับมักไปอยู่ในเห่อในเฟ้ยเลยไปลบไปซดนยุบปุ่นล่ะไปค้นเอาบานผู้ใหญ่ได้ปลาคนอย่างละมันระว่างกับเป็นคนมีปัญญาละว่านทว่าว่านน้าก่วมไหวว่านแหกง่วมน้ําก็ค่อยหักออกเทจริงค่อยหักออกเทงานโซ่ได้ปลาได้ตัวบู้ยคือเข้าสีเอานี้พลานอ่ละงัดคว่ำบุ่นออกละจิตมันชุลมุนมันว่าบุ่นงัดออกเทน้อย แค่ออกเทน้อยก็บุ่นเข้าคึกเข้างัดน้ําออกจากแนงนะหักที่และน้ำซองน้ําออกจากตาแหงจนได้ตาเจ้าเนื้อมากินที่เดียวนี่นี่เขาสิได้คิดว่ามากข้องอินอีใ น, นขนันเข้ารู้จักกินวุ่น่ะกระําจะปลาอยู่ในเหอะในเฟ้อยละ่ะนักอาหารนิพนานทั้งหลายก็ได้ลูกเชียให้ให้ลู ก, ห, ห, ลกห้างห้างเข้ากระชินเมื่ไรขึ้นกันกรับน่าปฏิบัติ ปฏิบัติตัวต่ออารมณ์เนี่ยอยากไปถิมมั่นอารมณาห้างก็คือพอแม่ที่อลูกซั่อชาชาละเลี้ยงไปได้ก็ถิมได้ใช่ว่าเนี่ยขอเก้าทุกใดๆก็ไม่ทรมานจิตใจของพ่อแม่เท่ากับลูกแบบไปชั่วชาเสียหายนั่นลูกซุ้มนั่นพอแม่ก็ยังตัดถิมได้เว้ยชาลูกก้อนเดียวดอกวาบได้มันมีหลายอันทางพุทธศาสนาห้องยามร่มย่มตายกเข า, ากเกิดสอนทํามขึ้นถึงมาถึงผลเบื้องสูงยัง ถามแห่กันไปไปห่อกล่องก้อนละอ้อมกล่องก้อนตั้งสามรอบการแสดงว่าคนทุกคนมันตกอยู่ในห่วงของวัตตวนบาดนี้เอาจ้างไดยเจงสิ่ตายวัตตะได้คาบอนมาฝึกกรรมฐานคาบ์บอนฝึกสติษปัญญาไม่มากวัตตะวนพวกกิเลวัตตว้นขึ้นกิเลกกับมวัตตวนขึ้กรรมวิปากวัตตะคนขึ้นวิบากันี่สิมึงดูลักษณะห้าสูบยาแล้วคัดทิศทิศแล้วก็เป็นเฮยากยากับมาสูบสูบแล้วคัดทิศทิศแล้วก็เป็นเฮยาอยากับมาสูบมันวัตตะวนกิเลกกับวิบากกิเลกกับวิบากนี่สินี่ เขาบปเห็นแต่บาดนี้เขากะเย็เสร็แล้วล่ะเขาก็อ้วนสามรอบแล้วก็ไปตุสมองไงปุ๊กปุ๊กปุ๊กจังโตองสามปุ๊กเรียกว่าปฏิบัติ่ให้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยวันเถะสามปุกเือเถอะเฮ้าสิเอาเงี้ยถึงเอาโลกไปถึงใหม่กองพฟาดันึ่งทีปุ๊กปุ๊กแค่กินพืชสวนเฮ้าเฮาเขาถึงพระรัตนตรัยซะถึงพระพุทธธรรมประสงค์เอาใจเขาไปสัมผันลีพอพระพุทธรมประสงค์เปลี่ยนที่เพิง เป็นเคร <MTV> ื่องกับจัดทุกข์ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกมจัดทุกข์พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระสงฆ์เป็นเครื่องกมจจดทุกข์และงไว้ซึ่งประโยชน์แจกข้าพเจ้าเอาว่าบัดเผาย่นผูรี่ย่นผาคำของไฟนั่นเพื่อมาให้เดี๋ยวนี้บบพนจากไฟทั้งสามกล่องโทสัคิไคือโทสารโมหคิไฟคือโมหะราค่ะคิไฟคือรากะเขาย่นผาเวนเวนหนึ่งย่นเห้ปฏิบัติเจ้าในเจ้าเขาสิพ่นจากไฟสามกลองนี่เดี๋ยวนี้เห้มีไฟสามก่อง กายทุจริตก็สิมีขึ้นก็เพราะว่าเข้าเกิดโทษสะบันดาน้าเที่ยก็สิมีการบริบีตีขากันศูนไหลายจึงอดบอลนท่นต้นวัจะค่อยไปโคกหัวมันตัวตีหัวมันตัวเนี่เข้ามาเห็นตัวศูนเถี่ยท่านทั้งหลายมิใจเป็นหัวหน้าเนี่ยใจทีเด้เป็นผู้สร้างการประสากายสิ่ไปตีไพเต็นีตีเขาว่าเป็นโครทรัพย์ว่าเป็นทีเต้โชคต้อยเขาว่าเป็นมันเป็นอัิยะกับต่ทรานที่ไม่ไปทีไปเต้จนได้าย ไล่ใส่ถ้วยว่ามันเป็นกายทุยจริตเพื่อจริงกันเท้ารักษาใจไปแล้วได้ฟีว่ารักษาขอบจากวานเพร่ะกายมีบ่มีโอกาสชิมไปประพฤติทุจริต ว, ว่ า, วาจีเหือกันคันบนไก่กลัวเพิ่มใจหรือทำใหมายมีใจเป็นหัวหนา้ามีใจถึงก่อนสําเร็จแต่ใจด้านน้นค่รจะค่อยให้นั่ปฏิบัติรู่แจ้ง ก, กายรู่แจ้งไกไว้ลู่จ้งสองส่วนแล้วมันสี่ยวกส่วนไหนให้ยูกมาร์ดบันฟึกสติตเซชั่นอย่าไว้ร่ำมดูเท้ามันเป็นในบรรท่าไปบ้านนี้ อันนี้สิคุณบ้นี้กัปปันคุณเป็นบอ้อปฏิเห็นเฮียนหกหใจพิสิคุณน่ะไปไปพ่อเฮี้ยนกัปปัสิสิคุณ <c oughs> หากอยากีเขาก็บเมียนกํปปันศูนย์ได้น่ะใจไปได้ศูนย์ใจบังคับให้กับันสิไปจีเขาต่าหาได้นี่หละเมนีนี้ใจเฮี้ยนไปสองสา ม, มื่หรือหกเกณมื่นมัมนท่ากับอยู่จังไหนอยู่บ่อปลบ่อขวดอยู่บ่อเจ็บบ่เมียนคุณล้วได้นะ่ะตาเห็นนั่นเป็นสัตว์นี่ต้องระวังเรื่องหากบ้านมัน พอแม่ทุกคนจะต้องกลับไป พ, อพอ่อเฮื่อนพ่อสั้นอาฐิพ่อค้องดีอัฐิพ่อค้ อ, องบดีคล้องดีก็ให้เป็นอุปกรณในถึงมากถึงผลพอ่พอคล้องบดีจิตห้องมัสยิบุญจับยังเพี้ยนเพีย น, ยนจับป่าบานจับคั้วว่างบานเช็ดเจ้าไหนไมันจะคอยสีว่างให้ป่าเจ้าเนือคือคั้วว่างระบานยว้าแต่ขั้วบุญขั้วบุญบาดอย่าบาดธนาเวื่แต่ขั้วบุนบ่อย่อพ่อไม่ขั้วบุญบ่ย่อพ่อแต่ขั้วว่างไม่เสียมาสยิใส่ขันบ่พ่อขั้วบุญสักวัน ข้าศึได้กินปลาว่าถือน้เก๊ะสกไมได้กินเพราะว่าปลาเจ้าเหนือมันอยู่ได้เห่อไผ่เผื่อต้องระวังขอตัวแถมว่าอย่าให้น้ำกะอใช้ก้นเพียยนเราฮักเลลตาสองตาฮักน้าเข้าไปเจ้าขิได้ปลาไม่กินโอ้โร้ายถือได้นอกเหมือนี้ว่าว้าศิกบจากสามินาทีเพราะว่าเป็นคาสั่งแถมไทยลนวันนี้มีโอกาสมากาวปิด บางงานของข้ามากระปิดโดยปริยาเลยล่ะแต่ว่าถ้ามายระปิดเดออเอาไปใช่ยอยู่กับเครื่องกับสร้างกับบ้านกับซองให้พ่อทุกคนได้เป็นพ่อที่ดีเป็นพระพุทธของลูกให้แม่ทุกคนได้เป็นแม่ที่ดีเป็นพระพุทธของลูกให้คิดบริสุทธิ์พุทพองเขาเอื่นพระพุทธเข้ามาพร่งสัตว์นี่ไปใช้กับคนหลายประเภทผู้หญิงวันแจ้งงานเขาเอื่นหญิงพ่อมาจาัลลีเพจทายมีสิกขาบังคับมีท่านวินัยบังคับบให้เจียไบ้เมีนคนครู สิไปอยู่อย่างผูกค้องเรื่อนอยู่อย่างค้นคูบริอะรเขาก็ดเอิ้นเพจพ่มาจันท์พอแมีที่หายิ่งหาค้องสงเคราะห์ลูกด้วยสมบัติสถานต่างๆให้ดพ่ามบริสุทธิ์ใจสิเขาก็เอ่นว่าพระพุแล้หาเชื้อลูกเฮ็ดปิดจะสร้างกระอวดใจไว้ได้บ่สร้างหลายสร้างหน่อยๆขันพุทธดสร้างบ่ดนเขาเอิ่นภาษีกิทาข้านมี่เสียดบ่ดนเอิ่นภาษีกิทาข้านนี่ไสจริงเขาแปลว่าข้าวเดียวไส่จิงภาษาบาลีแปลว่สันอิ ทศกิจธาคามีนีว่า น, นยังเนี่ยผู้ลู่จักวิธีประคับประคองสถิเป็นแล้วผู้ลู่จ๊กจิตานุปสัปสปสนาเห็นจิตมังกรวัดเอาสถิตเขาม้าประกอบเป็นเห็นเจ้าของแล้วกำลังควบคุมเจ้าของเป็นนิสสจิธาคามีนี阿拉ขอให้ผัพวพ่อพัวแม่ได้เป็นพระประจาตระกูลอิลีนั่นน่งการบรรยายธรรมะแถียมไทยกัเห็นว่าน่านพอสมควรกับข อ, อยุดิีลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอ ให้นัปฏิบัติทั้งสองฝ่ายจงเป็นผู้แจ้งแจ่ใจในธรรมะคำสอนของพระศ า, าสดาให้ได้เป็นผู้ทรงเสริมสนับสนุนพระศา ส, าสนาให้ถึงคว้วมเจเลื่อนิงโยทั่วกันทุกทุกท่านทืน